สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะกับดิฉันวัชรินคันธชาเหมือนเช่นเดิมคะ่ะในเวลาเช้าตรู่มากๆนะคะสามนาฬิกาจนถึง3ามนาิกาสานาทีโดยประมาณนะคะเรื่องราวที่จะหยิบมาเล่กากันนั้นเป็นการพูดคุยกันในเชิงสร้างสารรค์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศสําหรับในวันนี้ดิฉันมีแขก ท่านหนึ่งนะคะมีกิจกรรมมีภาร ก, กิจที่น่าสนใจฟังดูแล้วเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ได้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะออตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะคุณยิ่งรักปฏิพาณเทวาค่ะคุณยิ่งรักนี่เป็นประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจำกัดสวัสดีค่ะคุณยิ่งรักคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพึ่งดิฉันเองพึ่งเคยได้ยินเรื่องของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอยากจะให้อ่อ คุณยิ่งรักเนี่ยได้เล่าสักนิดนึงว่าที่ไปที่มาของอกลุ่มสหกรณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อไร่อย่างไรแล้วมีวัตถุ ป, ประสงค์ยังไงคะคอาสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเนี่ยเกิดเอขึ้นมาพอศสองห้าสามเก้านะคะโดยกรมป่าไม้ซึ่งเล็งเห็นว่าป่าไม้เนี่ยมาโดนทำลายไปเยอะเลยนะคะค่ะตอนนั้นค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะ ค่ะต้นยิงค่ะต้นยค่ะค่ ะ, คะตอนนั้นในในตอนนั้นเนี่ยคือป่าไม้โดนทําลายไปเยอะค่ะป่าไม้เนี่ยไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้สักของประเทศไทยเราซึ่งสมัยเราเด็กๆเนี่ยนะคะสามารถส่งออกไปต่างประเทศอะไรได้เลยใช่ไหมคะค่ ะ, ะถ้าตัดเป็นจ้ตั้งจะหมดแล้วอะที่มาไม่มีการปลูกขึ้นทดทดแทนเลยอะคะ่ะค่ะทางทางกรมป่าไม้เนี่ยโดยท่านที่ประดิษฐ์สุวินทร์เนี่คะ่ะ ค่ะก็เลยเริ่มว่าเอถ้าเอาจะหน่วยราชการเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไหนแน่นะคะก็ก็เลยคิดว่าอใช้ระบบทรัพยากรเนี่ยค่ะมาดูแลเรื่องเขาจะเรียกตอนนั้นเขาจะเรียกว่าไม้เศรษฐกิจก็คือไม้ที่ปลูกอนอกพื้นที่ป่าส่งเสริมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจในในพื้นที่ของเอกชนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ โดยการเหมือนคือป่านเนี่ยเราจะต้องรักษาไว้ไ่ายโดยโดยธรรมชาตินะคะแต่เรามาเใช้วิธีเพิ่มเออ่ป่า น, นอกพื้นที่ของป่าธรรมชาติคือป่าปลูกค่ ะ, คะเพื่อหนึ่งป้องกันไม่ให้คนไปคือความต้องการใช้ไม้เนี่ยมันมีอยู่ก็ไม่ต้องไปตัดไม้ทําลายป่าธรรมชาติน ะ, อ, ะอันนี้เพืจะหมุนเวียนได้ถ้าไ ม, ม่หมุนเวียนมันก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นนะคะ ก็มาจัดตั้งโครงการสวนสาท่าเอกชนขึ้นมาในวันที่8มีนา2539ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบวงจรก็คือตั้งแต่การเพาะกล้าการปลูกการสร้างมูลค่าเพิ่มแม้กระทั่งการส่งออกไปขายต่างประเทศน่ะค่ะ ตอนนั้นเนี่ยค่ะไม้เศรษฐกิจที่อยู่ในขายที่เราเข้าไปส่งเสริมให้เอกชนก็คือชาวบ้านทั่วไปที่มีโฉนโดเอกสารสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยถูกต้องไหมคะใช่ค่ักช่ค่ะค่ะได้เข้ามาปลูกตอนนั้นพืชเศรษฐกิจที่เราเลือกไว้ใน<ม>ในในการที่จะส่งเสริมเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวไหนคะก็จริงๆแล้วก็ให้ก็สนับสนุนทุกตัวนะค ะ, คะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไท ย, น, ยนะ ก, ก็อยากจะปลูกไม้สักนะคะ มีค่าพูดง่ายอย่างเช่นได้มีค่านะคะค่ะใช่ใช่ทีนี้ทีนี้มันก็มีส่วนหนึ่งที่เอ่อที่รัฐบาลนะคะส่งเสริมโดยให้เงินสนับสนุนเอ่อไล่ละสามพันบาทอืมจูงใจใค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยเป็นห้าปีปีแรกก็แปดร้อยเจ็ดร้อยยิงทั้งห้าปีเนี่ยห้าปีต้นไม้ที่เรีสูงใหญ่แลหละค่ะนะทีนี้ตอนนั้นเนี่ย อสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีเอกฎหมายต่าไม้อยู่เอที่ที่ออกมาแต่สองสี่แปดสี่เนี่ยนะฮะอโดยโดยมีคําว่าไม้ศักด์ไม้ยางนาขึ้นในอาราชานาจักไทยถือว่าเป็นไม้หวงห้ามอืจะไปขึ้นในที่ของใครก็ไม่ได้ต้องเป็นต้องขออนุญาตใช่ไหมคะ่ะต้องขออนุญาตจะถือว่าเป็นเป็นเป็นไม้หวงห้ามทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้คน ตอนนั้นน่ะที่เราโลนนรงอย่างพี่ก็รณรนรงทั่วประเทศเลยเพราะชากรีเราเนี่ยมีมีศักยภาพครอบคุมได้ทั่วประเทศเลยไงคะ <c oughs> เราก็พืพยายามที่จะสร้างเครือข่ายของเราให้ได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเนีค่ะเรก็โลนนรงส่วนใหญ่ก็จะปลูกไม้สักเยอะค่ะไม้ยางนาก็มีแต่น้อยกว่าไม้สัก <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ปลูกไปเนี่ยภายในห้าปีเนี่ยเราได้ถึง สมล้านกว่าไร่อ่ะค่ะนั่นคือคนเห็นเห็นประโยชน์ว่าถ้าวันนึงมันโตขึ้นค่ะอ่าเพราะว่าปลูกทีเดียวอใช่ไหมเราดูแลเนี่ยค่ะก็จะโตเร็วมากเลยแล้วก็ได้ความล่มลื่นใช่ไหมค่ะแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยคือเราจะปลูกเนี่ยเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานอืนาเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนที่มันพอาูลูกแล้วฝากเงินไว้มารุ่นหเราใช่แล้วก็ ไม่เป็นสมบัติให้ลูกหลานและก็เป็นเงินออมเป็น บ, เบำเหน็จบำนาสําหรับกรเกษตรกรซึ่งไม่มีรายได้ อ, อ่ะเอ่อบำเหน็จบำนาเหมือนข้าศรศาชการถูกไหมคะค่ะเราสามารถสร้างตัวเองได้ต้นไม้เนี่ยปลูกทีเดียวมันก็นก็ใหญ่ให่ไปเรื่อยเงินออมไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันจที่มองว่าอันแรกคือประเทศไทยเราเกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชล้มลมลุกลุกอะไรเนี่ยชีวิตเขาก็ล้มล้มลุกลุกอยู่นั้นอ่ะทีนี้ถ้ามา ปลูกต้นไม้โดยใช้ต้นไม้ที่มีค่าเนี่ยค่ะจะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมและจะช่วยสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเลยค่ะตอนนั้นเนี่ย ฟ, ะะฟังดูแล้วเนี่ยห้าปีสามารถจะขยายแนวคิดนี้ให้คนร่วมปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยแสดงว่าทุกคนเห็นประโยชน์ทุกคนเห็นร่วมกันเห็นพ้องต้องกัน อยากจะปลูกป่าเพิ่มขึ้นค่ะใช่เราได้สมาชิกอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าครอบครัวค่ะค่ะแล้วมันเกิดเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเว่าประมาณสามถึงห้าปีเนี่ยแต่ละเออเออสวนนี่จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเออเราปลูกตอนนั้นเนี่ยไล่มงประมาณสองร้อยต้นมันก็จะได้ชิงกันสูงใช่ไหมเป่โตรงสวยมากเลยค่ะทีนี้ ทีนี้มันพ อ, พอได้ความสูงประมาณสักสิเมตรแล้วเนี่ยมันก็ต้องการให้ความอ้วนออกใช่ไหมคะ ม, มันก็จะเหมือนนางงามเนี่ยต้องคัดคัดเอาออกนะคะเอาออครึ่งหนึ่งก็ต้ อ, <ะ S 1> ตองตัดครึ่ ง, งนึงคี่เออกเคนที่ที น, ทนที้การการที่ตัดออกเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้คําว่าไม้หัวงห้ามของไม้สักเนี่ยเขาจะมีไอ้กฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าในมาตราเจน่ะมีที่ที่มาที่เรียนแล้วว่าไม้สักไม้ยางนาขึ้นในราชอาณาจักร รือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามมันจะมีพระราชบัญญัติสวนป่าซึ่งขั้นตอน16ขั้นตอนนี้ยุ่งยากมากเลยก็ทำให้ให้คนเบื่อหน่ายอะค่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยทางสวนยางพาราเขาก็จะมีสนับถนุนมาให้คนมาหันมาปลูกยางพาราเป็นพื้นที่กว้างๆด้วยค่ะใช่นั่นแหละเยอะแยะไปหมดเลยดวมทั้งยูคาด้วอเนตค่ะเป็นสาเหตุก็เป็นสาเหตุ ให้ให้ให้เราต้องหันมาสู้แล้วละ่ะว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะทําให้ไม้ที่มีมูลค่ามีมีค่าของแผ่นดินเนี่ยสามารถยั่งยืนได้เป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้เป็นบำเห็จบันาญให้เราได้แล้วลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะกลับคืนมาได้เนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นเลยค่ะเราก็พยายามสู้ว่านี่แหะไอ้ไอ้มาตราเกจเนี่ยมันเป็นอุปสรรคแล้วก็พอดีเอ่อก็อออคิดได้ว่าเออเราจะต้องเอ่อ ก็ผ่านผ่านทางการเมืองนะค่ะค่ะพี่กำลังจะบอกว่าตอนที่โรนรงให้ได้สมาชิกสองหมืนครอบครัวใช่ไหมคะตอนนั้นห้าปีส0 0หมืนครอบครัวแล้วก็ปลูกป่าได้ถึงสามล้านกว่าไร่ค่ะใช่หายหายไปเนี่ยเหลือเหหายไปเหลือขายไปเหลืออยู่ประมาณเหลือสองพันเอ่อกว่าคนชค่นัน่อนเนี้ยตอนนี้เหลือส0 0พคนจากสองหมื่นครอบครัวนะคะ เหลือสองพันคนหายไปอย่างงน่าใจหายเพราะผู้หันไปปลูกยางพาราอืมก็คือตัดต้นไม้ของเดิมทิ้งไปเลยค่ะใช่ใช่ใช่เพราะเขาบอกว่าขั้นตอนยุ่งยากแล้วก็โดนรีบไถอย่างเงี้ยอืมก็คืออยู่ในที่ของเราด้วยนะคะตัดก็ต้องขออนุญาตจะขนย้ายก็ต้องแจ้งมีขั้นตอนกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทีนี้ในกลุ่มค่ะ เราก็ต้องหันมาสู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องทํายังไงที่ช่วยจะมาชี้เรากลับคืนมาเพราะเราเห็นแล้วว่าการปลูกต้นไม้มีค่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคค่ะก็สู้มานี่ยจนกระทั่งยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ 20, 20, 20, 20, ปีกันโเป็นนัก <4 S 1> สู้มากเลยพี่ยิ่งรักค่ะใช่สู้จนเดงกระท่านมาสมัยเนี้ท่านทุก่านท่านนิกตู่กับแต่ท่านนิกเต่าอะคนเอกโุรักษณ์นะ ชื่อจริงก็ได้นะคะพี่ยิ่งรักเอาชื่อจริงของท่านก็คือท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะท่านเด็ดดำรงมองเห็นถึงปัญหาแล้วก็รับรู้ในปัญหานี้ที่ทําให้ผื้นป่าของเราเนี่ยหายไปโดยโดยเหตุปัจจัยของตัวกฎหมายนี่แหละที่ไม่จูงใจให้เอกชนได้เข้ามาร่วมกันสร้างป่าใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เลยก็เลยท่านก็เอจัดการให้กรมป่าไม้เนี่ย ยกเลิกกดช่วยกันนะฮ ะ, ะเอาออกสารให้มาตาเจ็บที่ออกนะฮะค่ะเอาออกเพื่อภาพที่จําไม่ผิดก็ประมาณวันที่ยี่สิบเดือนธันวาคมประมาณเหตุหนึ่งประมาณนั้นน่ะคะ่ะประกาศแลว้วเสร็จแล้วนะนอกจากยกเลิกแล้วเนี่ยนะฮะยังอกระทรวงพาณิชย์ยังเอต้นแย่างที่เราขอไปอะนอกจากเปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยมันมันเอ ยังสามารถใช้ต้นไม้เนี่ยทำมาการถางธุกรกิจได้ไหมายถึงจํานําได้ที่ไม่ต้องตัดเนี่ยนะคะคมือสร้างความจําเป็นลูกจะเรียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยก็สามารถจํานําได้ในขณะที่ยังมีชีวิตก็คือการสร้างคุณข้าวต้นไม้ให้มีมูลค่าไงะคะตรงเนี้ยผ่านตรงนี้่ะคค่ะ พื้นที่เป้าหมายคือจากจากทั่วประเทศที่ห้าปีที่พี่ส่งเสริมแล้วมีพื้นที่มากกว่าสามล้านกว่าไรพื้นที่เป้าหมายที่ได้ดําเนินการมาเนี่พี่ยิ่งรักพอจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นพื้นที่ตรงไหนอย่างไรที่เราเองนั้นมองเห็นว่ามีศักยภาพในการที่จะขยายค่ะพื้นที่เป้าหมายก็คือนอกเขตป่าคก็คือเป็นที่โฉนดนสสามและที่ที่รับอนุญาตก็คือสปกรก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยหรือที่ราชทัศนุก็ได้ค่ะ แล้วก็ตอนนี้จะมีคนที่ที่กลุ่ ม, มนหนึ่งสิบปอร์เซ็นของประเทศนะนะคะที่ปล่อยที่ทิ้งร้างว่างเปล่าเป็นกําไรอ่ะไม่ได้ทําอะไรก็จะโดนเสดภาษีเก้ากระโดดใช่ไหมคะกลุ่มเนี้ยก็จะมาจะมาขันมาปลูกต้นไม้เพราะว่าหนึ่งเขาได้ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นถ<ส>ูกไหมคะสองเขาได้เงินแพสซิฟอินเทมอ่ะนะปลูกปูกต้นไม้แล้วมันก็จะมีทวีคูณขึ้นมาตั้งที่ทั้งต้นไม้เลยอะค่ะคือได้ ได้กําไรมากกว่าฝากดอกเบี้ยฝากธนาคาร<ป>ไหมคะพี่หาซารเราเทียบอย่างนี้เราเทียดอย่างนี้แต้นต้นต้นไม่สักเลยนะคะค่ะต้นไม้ค่าเนี่ยต้นหนึ่งประมาณห้าบาทถูกไหมคะพอเราปลูกเนี่ยเราดูแลเขาสักสองสมปีมันใหญ่ขึ้นเรื่อยค่ะพอถึงปีที่สามสิบหรือประมาณเนี่ยต้นนึงมันเป็นแสนนะปีที่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ปีปีที่เท่าไหร่นะคะพี่ปีที่สามสิบเนี่ไม่สักเนี่ยสามสิบห้าสิบปี อ๋อนั่นคือคนปลูกไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอปันผลใช่ไหมคะคนปลูกไม่ต้องรอใช้ปันผลปลูกไว้ให้ลูกหลานถูกต้องไหมพี่ถูกต้องแล้วันเปอนโหถ้าเราจำเป็นใช่ไหยเราก็ไปจำนาได้ในขณะที่ไม่ต้องตอัดไงค่ะ <c oughs> จะจำนำในขณะที่ที่มันมีชีวิตอยู่อะจำนำกับแบงก์ได้นะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะค้ำประกันทางธุรกิจได้กระทรวงพาณิชก็รับลูกนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะว่ามีที่ห้าสิบไร่ทั้งห้าสิบไร่เนี่ยปลูกไม้สักสักทองทั้งหมดเลยพี่ยิ่งรักใช่ไหมคะแล้วก็คือจริงจริงแล้วปลูกรวมสมบไมอื่นปนกันได้ถูกต้องไหมคะไช่แล้วก็แล้วก็ ปีที่สามที่สี่เนี่ยมันโตเลยใช่มหมการที่จะปลูกกับแฟหรือเอดีปีหรือใชิกไ่ยท่นกเคยได้ยินอย่างงี้พี่งรักเคยได้ยินป่าชาวบ้านจังหวัดนึงนะนกจําจําังหวัดไม่ได้เขาปลูกไม้ใหญ่เป็นรายได้ขึ้นมาใช่ปลูกไม้ใหญ่ผสมกับพริกไทยพริกไทยที่แพงมากนะพี่อิงรักค่ะกาแฟแง่เนี้ยได้หมดเลยแล้วก็ พอพอเ่อมันมันมันมีที่ว่างใช่ไหมหลังจากที่เราทินยิ่งออกเนี่ก็มันจะห่างห่างไปเรื่อยๆเออผลสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะมีที่ว่างมากเราก็ปลูกในในในใต้ดินไหนมันก็ปลูกหัวไยมันกระชายค่ะมันอย่างนี้มันอะไรได้หมดเลยมันได้ได้โดยอัตโนมัติเลยนะใช่ไหมคะตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็ด้วยความร่มรื่นด้วยความร่มรื่นมากเลยเนี่ยแล้วตอนเนี้ยที่มองเห็นว่า โลกมันร้อนเนี่ยเพราะเราตัดต้นไม้กันเยอะใช่ไหมค่ะเนี่ยเราเราเราประเทศเราเนี่ยนะฮะมันเป็นชายเกเส้นสูงสงนีไงคะค่ะค่ะต้นไม้มันจะโตมันจะโตเร็วกว่าได้ดีประมาณสิบเท่าอืออ่านี่แหละในหลวงท่านถึงแนะนําว่าประเทศไทยเนี่ยจะแก้ปัญต้นไม้นี่แหละจะเปเอ่อจะทําให้ไม่ไม่เกิดน้ําท่วมไม่เกิดน้ําแล้งนะคะแล้วจะเกิด สิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนีแม่จะกลับมาเออว่าจะกลับมาหมดเลยต้นแต่ไอไอสัตว์ฝาอะไรก็จะล่มลื่นคนก็จะล่มลื่นอย่างเงี้ยค่ะนกนกย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้พี่บอกว่าต้นสักหนึ่งต้นราคาห้าบาทดูแลสามปีมันก็จะโตขึ้นสามสิบปีมูลค่าเพิ่มมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยังไงคะจากห้าบาทวันนี้ค่ะแต่ห้าบาทเนี่ยพอปีที่สามสิบหรือสี่สิบเนี่ยที่มีต้นมันเป็นแสนนะไม่ใช่แสนค่ะนึกว่า แม่ก็เราคนประเมินสั่ๆเหมืมอนไงใช่ไหมค่ะค่ะเนี่เราไปฝากแบงค์อะห้าบาทไปฝากแบงค์น่นอ๋อมันลดลงด้วยนะพี่ดอก <laughs> เบี้ยแต่ละปีไม่เท่ากันนะพี่ปีนี้เหลือสองจุดห้าปีหน้านนอาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น, ะนี่นี่ก็เป็นเส้นทางการลงทุนอย่างหนึ่งต้นไม้แรมมันจะช่วยเขาเรียกว่า t e for all ค่ะใช่ไหมค่ะต้นไม้เนี่ยที่มวลมนุษยชาติทั้งหมดเลยอ่ะทำไมมันได้คำตอบ แล้วนอจากเนื้อไม้มันมันจะให้รากไทอย่างนั้นแล้วนะไ อ, ตไอต้ต้นอย่างต้นเ อ, อประเคียนเนี่ยผขาปลูกเพื่สี่ปีนะครับมจะมีชันออกมาชันมันเนี่ยไปทําสมุนไพรได้อีกอนะมันทำมันมันยิ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าเนื้อไม้นะโดยเฉพาะเนื้อไม้นะพี่ยิ่งรักออนิดนึงเ อ, อพื้นที่<า>ที่เข้าไปส่งเสริมเนี่ย ติดขัดอะไรไหมคะเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดขัดปัญหาความเข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยของของชุมชนหรือชาวบ้านหรือเจ้าของพื้นที่เอกชนไหมคะเ อ, อ่อส่วนมากไม่ไม่ติดขัดอะไรเขาติดขัดตรงที่ว่าบางคนเนี่ยมีที่เยอะเขาอยากจะปลูกต้นไม้เขาไม่ใช่เป็นเกษตรกรแต่ก็จะเอ่อชากอวกรเราก็ช่วย รับจ้างปลูกเนียนะเพราะสมาชิกเราบางคนเขาก็เก่เเงในเรื่องการพ่อกล้าเรื่องการปลูกอยู่แล้วแล้วก็กฎหมายตอนนี้ก็แก้แล้วอะนะค่ะแก้ไขแล้วค่ะมันก็พร้อมแล้วน ะ, ะมันจะมีเงินเฉพาะเงินทุนสมมุติว่าอย่างอย่างที่ตอนนั้นเอ่อ ก, กรมป่าไม้กระจะทรวงกันครั้งให้อ่ะไล่ละสามพันบาทเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ผ่านมันยี่สิกว่าปีแล้วเนี่ยถ้ามีกองทุนสัก น, นิดหนึ่งนะให้ให้ทุนเขาอะเพื่อปลูกเนี่ยค่ะหัวมันจะขึ้นมหาศาลเลย ฟังพี่เล่าให้ฟังแล้วมีความสุขแทนนะคะไม่มีความสุขแทนพี่ยิ่งรักอว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะจะคุยต่อกันในสัปดาห์หน้านะยังมีเรื่องที่ยังติดกับพี่ยิ่งรักอยู่ก็คือเรื่องของเฟล็กทีของอีูเฟล็กทีของอเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็มีผลอย่างไรกับการทำสวนป่าภาคเอกชนเนาะพี่ยิ่งรักเดี๋ยว กลับ <aria> <sia. S 1> มาค <y arn arrivé> yeah. ุยกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งรักมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของสวนอ่าสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนนะคะซึ่งพี่ยิ่งรักเนี่ยเป็นประธานคนแรกแล้วก็ดําเนินการต่อสู้มาด้วยวิถีที่บริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะสร้างให้พื้นป่าอ่าผืนป่าของภาคเอกชนเนี่ยเป็นผื้นป่าที่ ผู้ปลูกเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเสริมภาพรวมของป่าธรรมชาติในบ้านเราได้รักษาซึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศนะคะเดี๋ยวคราวหน้ายังติดครั้งจะต้องคุยกับพี่ยิ่งรักเนี่ยต่อในเรื่องของเฟ็กทีของ EU มีผลเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาสวนป่าเอกชนนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คันธชาลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในเป็นเรื่องเป็นราวติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง 89.5 ้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 i m e he'll speak. Well, that's a little like l o v i n Yeah, yeah, it's true. Yeah, it's true. It's a little like loving, l o v i n you. Have you ever heard a trumpet? Sing out his sweet melody. Have you ever seen a sunset? Gently kiss the sea. Well, that's a little like loving. Little like loving. Yeah, yeah it's, true. yeah, it's true. Well, it's a little. Honey, honey, honey, fresh from the hive. g